สังคาธิเสสสิกขาบทที่ 9 ว่าด้วยภิกษุณี มีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมักเบียดเบียน ครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบ มีกิตติศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงไม่ดีมัก ปกปิดโทษของกันและกันเหล่าภิกษุทั้ง มักบิต Васuralism. ปกปิดโทษของกันและกัน พิc素นีเหล่านั้น อันพิc素นีทั้งหลายเพิ่งว่ากล่าวตักเตินอย่างนี้ว่า น้องหญิงทั้งหลายอย่าครุกคลียกันมีความประพุทธเล็วซามมีขิทธิสัพท์ในทางเสริ๋มเสียมีชื่อเสียงไม่ดี มักบิตbiti9 พิc素นี2 ปกปิดโทษของกันและกัน สงย่อมสนับสนุนการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้นภิกษุณีเหล่านั้นอันภิกษุณี ก็ต้องทําคือสังฆาธิเสที่ชื่อว่ายาวตตียกะนิสรณิยะเรื่องภิกษุณีอันเตวาสินีของภิกษุณีทุลนันธา อยู่คลุกคลีกันทางกายและทางวาจาที่ไม่เหมาะสมคําว่า คือเมื่อถูกสมทํากรรมแก่พวกเดียวกันก็คักคานคําว่า มีความประพฤติเลวทรามมีกิจจริยศัพท์ในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียง ถ้าไม่สละต้องอาบัติทุกกฎภิกษุณีทั้งหลายได้กันมีความ สงฆ์ย่อมสนับสนุนการแยกกันอยู่ของน้องหญิงทั้งหลายเท่านั้น คือภิกษุณีสามารถพึงประกาศให้ทรงทราบด้วยยัตติจตุตตกรรมวาจาว่าแม่เจ้า ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงโสดสมณุปาทภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่อสละเรื่อง สงฆ์สวดสมณุปาฐภิกษุณีชื่อนี้และชื่อนี้เพื่ออิสระ 2 ภิกษุนี้ชื่อนี้และชื่อนี้สงฆ์สวดสมณภาพเพื่ออิสระเรื่องครั้งต้องอาบัติทุลจัยจบกรรมวาจา อาบัติละใจที่ต้องเพราะกามวาจา 2 ครั้งย่อมระงับไป 2 3 รูปคราวเดียวกันไม่พึงสวดสมณุปาฏิสุหนีมากกว่านั้นคราวเดียวกันคำ คำว่านิสสรณิยะได้แก่ทําให้ถูกขับ ต้องอาบัติสังฆาธิเสกกรรมที่ทําถูกต้องภิกษุณีสําคัญว่าเป็นคําที่ทํา อานาปัตติวาระภิกษุณีคือ 1, 1. ภิกษุณี 2 ภิกษุณี 3 ภิกษุณี 4 ภิกษุณี 5 ภิกษุณี 6 ภิกษุณีต้น 9 จบ คาธิเสสสิกขาบทที่ 10 ว่าด้วยการยุรงส่ง แม่เจ้าทั้งหลายพวกท่านจงอยู่คลี่คลือกันเถิดอย่าแยกกันอยู่ภิกษุณีเหล่าเอือนผู้มีความ เพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ว่าน้องหญิงทั้งหลาย ฉะนายภิกษุณีโถรนันธาจึงกล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายผู้ถูกสงฆ์สวดสมณุพาทแล้วอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลี ภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นํา ผู้ถูกสงสวดสมณุภาพแล้วอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลาย น้องหญิงทั้งมีชื่อเสียงไม่ดีอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิจดิบในทาง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตำหนิว่า ภิกษุทั้งหลายการกระทําอย่างนี้มิได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อม ภิกษุณีเหล่าเอินผู้มีมักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ปกปิดโทษของกันและกันไว้ก็มีอยู่ในสงฆ์อย่าง น้องหญิงทั้งหลายอยู่คลุกคลีกันมีความประพฤติเลวทรามมีกิตติศัพท์ใน น้องหญิงทั้งท่านทั้งหลายจงอยู่คลุกคลีกันอย่าแยกกันอยู่ภิกษุณีแม้เหล่าอื่นผู้มีความประพฤติอย่างนี้มีกิตติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้มักเบียดเบียนภิกษุณีสงฆ์ชอบปกปิดโทษของกัน เพราะพวกท่านอ่อน ก็ภิกษุณีนั้นยืนยันอยู่อย่างนั้นภิกษุณีนั้นอันภิกษุณีทั้งหลาย สิกขบทวิภังคำว่าก่อ ภิกษุณีเหล่าเอินที่มีความประพฤติอย่างนี้มีกิตติศัพท์อย่าง คำว่าด้วยความไม่พอใจได้แก่ด้วยความโกรธเคืองคำว่าด้วย ท่านทั้งหลายจงแยกกันอยู่สงฆ์ย่อมสนับสนุนการแยกกันอยู่ของน้อง ท่านทั้งหลายจงแยกกันอยู่สงฆ์ย่อมสนับสนุนการแยกกัน แม่เจ้าท่านอย่ากล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าทั้งหลายพวกท่านจงอยู่คลุกคลีกัน วิธีสวดสมณุภาสและกรรมวาจาสวดสมณุภาสภิกษุทั้งหลายก็สงฆ์ด้วยยัตติจตุตถกรรมวาจาว่าแม่เจ้าขอสงฆ์จงฟังภิกษุณี ภิกษุณีเหล่าเอิญที่มีความประพฤติอย่างนี้มีกิตติศัพท์คลุกคลีกันมีความประพฤติ มีกิฏิสัพในทางเสื่อมเสียมีชื่อเสียงในทางไม่ดีมักกันและกันน้องหญิงทั้งหลายพวกท่านพึงแยกกันอยู่เถิดสงฆ์ย่อมสนับสนุนการแยก ภิกษุณีนี้กล่าวกับภิกษุณีทั้งหลายผู้ถูกสงสวดสมณุภาพแล้วอย่างนี้ว่านี้มีกิตติศัพท์อย่างนี้มีชื่อเสียงอย่างนี้ ด้วยการข่มครูเพราะพวกท่านอ่อนแออย่างนี้ สงฆ์สวดสมณุปาฐภิกษุณีชื่อนี้เพื่อให้ สงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือ 2 ครั้งต้องอาบัติทุลจัยจบกามวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัติสังฆาธิเสสเมื่อเธอต้องอาบัติสังฆาธิเสสอาบัติทุกกฏที่ต้อง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 ภิกษุภิกษุณีรูปเดียวก็ทำไม่ได้หลายรูปก็ทําไม่ได้ภิกษุนี้รูปเดียวก็ทําไม่ได้ด้วย กรรมที่ทำถูกต้องที่ทำถูกต้องภิกษุณีสำคัญว่าเป็นกรรมที่ทำถูกต้องไม่ กรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัติทุกกฎกรรมที่ทําไม่ถูกต้องภิกษุณีสําคัญคือ 1 ภิกษุณียังไม่ถูกสวดจบ บทสรุปแม่ฌานทั้งหลายธรรมคือสังฆาธิเสส 17 สิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วคือ 9 3 ครั้งภิกษุณีต้องข้อใดข้อหนึ่งแล้วต้องประพฤติ ภิกษุณีผู้ประพฤติรูปถ้า 20 รูปขาด 1 รูปเรือภิกษุณีนั้นเข้าหมู่ภิกษุณีนั้นไม่เป็นอันสงฆ์ ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้า 17 สิกขาบท สังคาธิเสสกันในภิกขุนีวิภัง 3 นิสสคิยกันแม่เจ้า 30 สิกขาบทเหล่า 1 ปัตตวะหมวดว่าด้วย 1 ว่าด้วยการสะสมบาทเรื่องภิกษุณีฉัพพคีสมัยนั้น พวกชาวบ้านวิหาร ครั้งแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นําเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะ ก้อภิกษุณีใดทำการสะสมบาตรต้องอาบัตินิสัจคิยะปาจิตตีย์เรื่องภิกษุณีฉัปคีจบสิกขาบทวิภังคำว่าก้อใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก้อใดคำว่าภิกษุณีมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอา ที่บาทได้แก่บาท 2 1 บาท 2 บาทดินบาทมี 3 ขนาดคือ 1 บาทขนาด 2 บาทขนาดกลางบาทขนาดเล็กบาทขนาดใหญ่จุ 2 ทนานจุของเขียวเศษ 1/4 จุกับข้าวพอบาท ของเขียวเศษ 1/4 ความว่าบาติเป็นนิสสคีความว่าบาติเป็นนิสสคีพร้อมกับอรุณขึ้นคือเป็นของจำต้องสละ นั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าบาท เธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วพึงคืนบาทใบนี้แม่เจ้าทั้ง ครั้นฉละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุณีผู้ฉละสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนบาทที่เธอฉละให้ด้วยข้าง นางกฤยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ บาติราตรีภิกษุณีสำคัญแล้วต้องราตรีภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอาบัตินิสคิยปาจิตตีย์ บาจยังไม่แล้วต้องอาบตนิสฺสคิยปาจิตฺติบาจยังไม่ได้สละภิกษุณีสํคฺคหนว่าสละแล้วต้อง บาตรยังไม่แตกภิกษุณีสําคัญว่า บาติยัง 4 ภิกษุณีผู้มีบาตรสูญหายภาย 5 ภิกษุณีผู้ 6 ภิกษุณีผู้ 7 ภิกษุณีผู้ 8 ภิกษุณีผู้มี 9 ภิกษุณี สมัยนั้นพวกภิกษุณีฉัพพคีไม่ยอมคืนบาตรที่